สวัสดีเนาะสวัสดีนักปฏิบัติทุกคนก็จเจ ร, ริญพรญาติโยมนะครับก็ขอให้เนี่ยคิดหรือว่าผลของการปฏิบัติที่เราได้ดูมาภายในสี่วันห้าวันนี้ว่ามันมีผลยังไงนะครับอย่างอื่นก็ขอแนะนำตัวเนาะบางคนก็ยังไม่รู้ ก็พระสงบนะครับก็ไม่ต้องไปเรียกอะไรมากก็หลวงพี่สงบก็ได้อาจารย์สงบจักกะวโรนะครับเดิมก็ชื่อสงดแล้วมาเปลี่ยนเป็นสงบนะครับก็ก่าวบ้องหลังนิดนึงนะจะได้รู้ว่าความเป็นมาแล้วเราเข้ามาได้ไงเหตุเพราะยังไงนะก็ความเป็นมาของตมาก็คือเกิดเหตุจากความทุกข์นะครับ ทังทีไม่เคยศรัทธาและทั้งที่ไม่เคยชิดจะเข้ามาบวชแล้วทั้งที่ไม่เคยจะมาศึกษาแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเขาบวชมาแบบไหนแบบพวกเพื่อนกัลยาณ ม, มิตรนี่แหละว่าเขาบวชมาเพื่ออะไรก็คิดว่าแต่เขาบวชมาแล้วกินข้าวนอนสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยชิดมาบวชแล้วไม่เคยคิดจะเข้ามากลัวอีกต่างหาเห็นผ้าในรลบนี้นะครับแปลกครับสิ่งที่เรากลัวนี่แต่กับมันได้เข้ามานะครับก็ เหตุปัจจัยก็คือชีวิตมันมีอะไรที่เราได้ศึกษาเยอะนะครับทางโลกเขาเรียกว่าเราศึกษาทางโลกให้มันถึงที่สุดนะครับที่อาตมาเคยมีครั้งหนึ่งเคยเระลึกว่าเอ้เราอยู่ท้างนอกไหยเราอยู่ทางโลกนะี่มันเป็นอะไรที่ลักษณะว่าเราทำอะไรที่ไม่ไม่ไม่สุดอะเราก็คิดว่าถ้าเรามาบวชเราก็จะไม่ออกมาอีกอันนี้ตอนเป็นความคิดตอนข้งอยู่ตอนเป็นคาวาส มันก็เลยทําอะไรที่มันสุดจนมันทุกข์ถึงที่สุดนะครับเหตุปัจจัยก็คือพอทุกข์แล้วก็มีเหตุปัจจัยก็คือได้เจอพระอาจารย์สมพงศ์นะครับเป็นพระอาจารย์ของพระเองแล้วก็ได้มาศึกษากับหลวงพ่อนะครับก็คือทุกอย่างมันทุกข์ทั้งกายทั้งใจนะครับมันทําให้เราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้ว่าความทุกข์ความชิดมันก็ทุกข์กายมันก็ทุกแต่เราอาจจะไม่เห็นมันนะครับจนถึงอายุ สามสิบสี่ปีนะครับถึงได้เข้ามาบวชไม่เคยได้บวชเลยนะครับจนพ่อแม่ทั้งสองเนี่ยเสียหมดครับก็เป็นอะไรที่มันบอกว่ามันไม่เอาอะไรแล้วคําว่าไม่เอาอะไรคือมันเบื่อมันไม่อยากคล้ายๆว่าทางโลกมันก็ไม่อยากไปอะไรมากมายมันมีทางเดียวก็คือทําไงก็ได้ขอให้เราอยู่รอดก็เลยมีญาติให้เราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับเอาผ้าสามผืนให้ก็คือเป็นชุดขาวงี้แหละ ไม่รู้อะไรแต่พอมันยกบื้องนี้ครับมันมันทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้จริงจยางน้อยก็รู้สึกว่าเย็นนะครับพอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสิ่งนี้มันมันทําให้เราลดทุกข์ได้เราก็จะอยากศึกษานะครับแค่ศึกษาไม่คิดว่าจะมาบวชก็เลยขอพาจาันสมพงศ์นี่บวชให้หน่อยนะครับบวชไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะครับท่านออกให้หมดนะครับถ้าใครศรัทธาไปก็มีพี่น้องมีญาติอะไรก็บอกไปได้นะครับขอให้ตั้งใจท่านก็เลยพาไปอยู่ทถ้ำ ก็บวชได้สองวันท่านเอาไปเจ็บอารมณ์เชื่อมอยู่เขาใหญ่เกลือสภาวะต่างๆนะครับคนลุกคนพองหรืออะไรต่างๆมันทําให้เรานี่ยสิ่งนีน้เราไม่เคยเห็นแล้วเราไม่เคยเจอมันทําให้เราอยากค้นหาไงค้นหาในชีวิตในคารวะในเป็นชีวิตเนี้ยมันต้องมีอะไรดีนะครับก็เลยศึกษาไปเรื่อยในชีวิตที่เราจะออกไปอยู่ข้างนอกหรือว่าตามเดิมก็ทํางานอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะเป็นเชฟ ก็เลยคิดว่าเองานข้างนอกหยุดไว้ก่อนเพราะเราหาเงินมามามากแล้วนะครับเงินเดือนที่นู้นก็เป็นแสนนะครับก็แปลกเหมือนกันพอเราเข้ามาศึกษาตัวเนี้มันทําให้เราเนี่มันไม่มีอะไรก็จริงแต่มันได้ภายในครับมันได้มันได้ภายในก็คือความเย็นแล้วก็มันได้แบบไม่เอาอะไรคำว่าไม่เอาอะไรคือมันไม่มีอะไรยึดยึด ว่าจะเอานน้น้องกลัว น, นี้ฮั่งกลัวแต่ข้างนอกไลยยิ่งหายิ่งเกิดอัตตาตัวตนนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งอยากค้นหานะครับมันก็เลยพอมาเจอสภาว่างนี้น้ําตามันไหลเลยครับเนี่ยอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะล้อมเลยแล้วมันเป็นไอ้มีกําลังใจกับอัตมามันก็เลยได้ศึกษาไม่เลยจนเห็นความจริงว่าเอ๊ชีวิตเรานี่มันไม่มีอะไรมากเลยมันก็มีกายกับใจนะครับอันนี้ช็ดดีๆนะครับอัตมาก็เลยเชื่อว่าเอ้าอยู่ทางนูงน้นเหรอ เอาไว้ก่อนอยู่ที่ฝรั่ังศสเท่าแก่ก็อยากได้กับจะได้เราไปทํางานเพราะว่าเรากลับมาครั้งเนี้ยเพื่อมาเดิอนอสัญชาติคำว่าสัญชาติคือเขาเขารับรองเราเป็นคนถูกต้องแต่เหตุมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพันุให้เราเข้ามาจากเหตุมันเปลี่ยนเนี่ยทำให้เราได้เข้ามาศึกษาและเจอครูบาอาจารย์ที่ดีอย่างนี้อย่างหลวงพ่ออย่างพระอาจารย์ยันกลางายาณมิพน์เนี่ยให้กําลังใจเรามันถึงได้อืู่ได้ทุกวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ถือว่าอาตมาสะสมบุญมานะครับ ก็อยากให้กำลังใจนักปฏิบัติธรรมหรือว่าพระสงฆ์ของเรายิ่งเป็นข้าราชการยิ่งดีนะครับช่วยคนได้เยอะหลวงพ่อชั้นจะเน้นข้าราชการนะครับเพราะว่าเขามีปัญญาแล้วทางโลกแต่เข้าไปศึกษาทางธรรมหน่อยไปได้เร็วครับช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งที่ยธรรมม า, มาช่วยหลวงพ่อนี่เป็นการช่วยกันนะครับเราก็ได้ผลไปด้วยให้เรามีกําลังใจนี่ นะครับให้เราได้มีกําลังใจหรือว่าเป็นกัลยะาณมิตรที่จะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ต่อไปในเพศเป็นพระนะครับก็เลยเจอปัญหาต่างๆนะยิ่งมาจาับยิ่งมาอยู่กับหลวงพ่อบรรษาหนึ่งท่านจะทดสอบนะครับการทดสอบเราว่าเราศรัท ธ, ธาแบบไหนเราศรัท ธ, ธาบคุคคลหรือเราศรัท ธ, ธาแบบศาสนาหรือเราศรัท ธ, ธาตัวเองอันนี้เราจะเป็นการบองบอกถ้าเราถ้าเราศรัท ธ, ธาพระพุทธเจ้าหรือศ เราศรัทธาท่านเราต้องศรัทธาตัวเองก่อนทําอะไรก็คือต้องเชื่อฟังเนี่ยท่านทดสอบตมาล่ายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆท่านจะเอามาทํางานแล้วก็ท่านดูด้วยบุคคลไหนที่ทํางานแล้วไม่ใครว่าให้มันเข้าทีมเขาเรียกว่าทําสมมุติให้ถูกอย่างเงี้ยเราก็สมมุติแต่สมมุติในั้งเนี้ยมันสมมุติในทางภายในก็คือทําให้จิตใจเราเห็นธรรมเห็นตัวเองสมมุติทางนอกนี่ยเขาเล่นหนังเขาจัดฉากแต่อะไรนี่สมมุติ เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงแต่สมมติทางนี้ให้ลดกิเลสให้ลดอัตตาต่อตนนะครับมันต่างกันก็เลยได้เข้ามาศึกษากับท่านเห็นอะไรหลายๆอย่างจากเราที่เคยบดใหม้หมเป็นคนที่อารมณ์แรงต้องถามหลวงพ่อนะครับถามพระอาจารย์ด้วยอารมณ์แรงแล้วก็ติดอารมณ์เร็วยิ่งไปเจอพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ไหนที่กระแทกแรงเลยไปเลยน้ําตาไหลเลยเป็นคนไม่มีอะไรครับแต่เป็นคนลักษณะนี้ เพราะว่าชีวิตเราเกิดมาโดนหลอกมาไม่ธรรมดานะครับจะโดนฆ่ามาก็เยอะโดนเขาก่อจะได้ไปเมืองนอกแล้วก็โดน เ, เป็นล้านนะครับเขาไปขังไว้ที่อยู่กรุงเทพบางกะปิเกือบสามปีเหมือนตายทั้งเป็นมันทําให้เราเนี่ยเห็นคมเบื่อหน่ายในทางโลกมากยิ่งไปอยู่ที่ฝรั่งเศส ก, ก็โดนจับอีกติดคุกเขาอีกนะครับเนี่ยเขาขังเดียวนะครับไปเจอมันเป็นอะไรที่เห็นแบบมองภาพอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวสําหรับตัมานะว่า สิ่งข้างนอกมันไม่มีอะไรที่จริงใจกันเลยมันสู้ในกันลยาณพิจิตรเนี้ยไม่ได้เนี้ยอย่างเนี้ยกัารมาเขาเลยพิจารณาไปเรื่อยมองเห็นว่ายิ่งเราไม่มีครอบครัวยิ่งพ่อแม่ไปหมดไปได้ดีเลยเราไม่ต้องมีอะไรห่วงนะครก็เหลือแต่ที่นะครับก็จะโอนให้พี่ให้น้องเราก็เข้ามาศึกษาในทางนี้พร้อมที่จะไปนะครับไปทางไหนไปทางเราที่จะเห็นทางที่เราไปจะถึงไม่ถึงก็อีกเรื่องหนึง่งก็เลยเข้ามาศึกษาจุดเนี้ยเห็นเห็นผลสําคัญ บอกตรงว่าไม่ค่อยอยากมานะครับเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ไมค่อยอยากมาแต่พอมาเจอหลวงพอ่อมันจะแวบเลยจิตใจอ่อนพอเห็นท่านทํางานนี่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าขมละอายเนาะเห็นท่านทํางานอย่างเงี้ยมันจะอยู่เฉยไม่ได้ครับวิ่งช่วยกันนะครับมันเป็นอย่างนี้แต่เรื่องเนีย่ยถ้าเห็นท่านเนีย่ยมันเป็นอะไรที่ว่าอาตมาเนี่ยเป็นป น, น, นิสัยนี้เนาะพอเห็นท่านผู้พ้นอ่อนแวบเลยใจนิงไม่อยากจะมานะจะไปทุ้ดวงแล้วนะครับนัดเพื่อนแล้ว แต่พอเจอหน้าท่านมันเป็นไรวะเราหนึ่งเรามองเหตุปัจจัยก่อนว่าอันนี้สาคัญก่อนช่วยคนมาช่วยนี่หนองพะลอดต่อไปที่ที่เขาจะ ง, งุแล้วก็ต่อมานี่อีกแล้วก็จะต่อไปอีกเนี่ยแต่มันก็มีงานข้างนอกแต่เรามองเห็นจุดนี้สาคัญก่อนนะครับก็เป็นผลายได้กับเราแล้วก็ตัวผมเองนะครับคือผมก็ได้ มีกำลังใจที่จะทํางานในจุดนี้นะครับตัวผมเองถือว่าได้ผลเห็นแต่ละคนในตั้งใจนะครับแต่แต่มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ดึงออกทางเขาดึงออกไปทางนอกทางโลกแต่ทางหลวงพ่อดึงมาทางธรรมสังเกตไหมเนี่ยพอกาลังพกพอพวกเรากําลังจะเขาเรียกว่าต้อนเข้ามาในทางธรรมกับทางพูดง่ายก็คือทางเลขาทางนู้นเขาจะดึงออกไปทางโลกทางนี้ก็จะดึงเข้ามาทางธรรมมันก็เลยเป็นอะไรที่ จิตมันนี่มันเลยไม่นิ่งครับนะครับก็เลยสังเกตเอ๊ะเรายิ่งดักดึงเข้ามาทางนี้เขากับดึงขัดกันไปทางนั้นมันเหมือนดึงกันอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เลยอ้าช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ดีทุกคนนะครับยิ่งเห็นพระแต่รูปนี่ตั้งใจดีก็สาธุนะครับคนไหนอยู่ได้ก็สาธุคนไหนไปก็สาธุดีหมดนะครับแต่ความอดทนนี่ขั้นแรกครับความอดทนนี่ขั้นแรก ก็เห็นหลายอย่างในพื้นที่นี้ที่่มยังไม่พร้อมหนึ่งพื้นที่พื้นที่มันจะไม่เสมอนะครับแต่ถ้าเราได้ตั้งงานตั้งตั้งหลักไว้ก่อนนี่จะไปทําพื้นที่ที่จะเดินจงกรมให้มันเสมอหน่อยนะครับพื้นที่มันจะเรียบถ้าพื้นที่มันไม่เสมอเลยว่าพื้นที่ไหนที่เราจะไปทําความเพียนต่อเนี่ยมันมันไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไม่สัพยามันจะทำให้กิจเราดิ้นครับอย่างเช่นเดินจงกรมมันขึ้นมันลงเนี่ยมันกลัวจะปรับได้สังเกตไหม มันได้เหมือนเดินอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะปรับได้เร็วพอปรับได้เร็วเราก็จะมีสมาธิใช่ไหมก็จะนิ่งเห็นไกลเห็นใจได้เร็วเนี่ยเห็นสภาวะต่างๆอันนี้กวัวจะผ่านอารมณ์ต่างๆก็คําแล้วอย่างเงี้ยก็เห็นหลายอย่างนะครับจุดจุดจุดเนี้ยยิ่งยิ่งยิ่ ง, งเรานี่ถ้าได้ได้อยู่เข้าใกล้กันเนี่ยไปเร็วนะครับคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเลยถ้าใครเห็นผลนี่จะออกห่างงูสังเกตหลายคนอยู่ถ้าเห็นผลนจะออกเกี่เดี่ยวเลยจะตั้งใจ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พระก็สาธุอยากให้ทุกคนได้ผลนะครับแต่จะได้ผลไม่ได้ผลก็อยู่ที่ตัวเราเพราะว่ามันไม่แค่ไม่กี่วันพระก็เห็นหลายอย่างที่ทุกคนตั้งใจยิ่งพระหนุ่มอย่างเงี้อยอยากจะช่วยนะครับเพราะว่าอาตมาก็อายุแค่สาสิบเก้าจะเข้าสี่สิบอายุก็ยังไม่มากแต่มาเห็นทางนี้นะครับเพราะว่าอาตมาอาตมาเนี่เจอทางโรกเยอะฟันข้างหน้านี่ไม่ไ ม, ไม่มีนะครับนี่ยพูดได้ง่ายก็คือ ใบรุ่นเขาตีนะครับตํารวจตีนะครับก็แค่พูดง่ายภาษาในทางมานนอกอีสานเนาะเข้าไปเต้นหมอลําไงไเต้นก่อนเขาก็เรียกเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกไปทําอะไรพอข้างร้านแล้วเขาก็ใส่ไปสักสิบกว่าคนออกหมดแถวฟันฟันฟันจถวนี้ก็ความเราที่มันไม่รู้เนาะแต่ไม่คนไม่มีเรื่องแต่เตน้นกวนตีนนะ่ะเขาเรียกวกวนตีนเนาะมันก็เลยอดโดนซะเพื่อนบอกว่ามันจะเอาเรื่องแต่เราว่าไม่เอาไม่เอาเรา เขาคิดว่าเราไม่อยากหาเรื่องใครยิ่งหาเรื่องมันคิดว่ากรรมมันมันจองเวียนจองกรรมกันเราถือว่าเราใช้กรรมเราเราจะเป็นคนอย่างนี้หรือคือเราใช้กรรมเราก็จบแต่ไม่ค่อยไปชอบหาเรื่องใครแต่เราอาจจะมองเห็นไม่เห็นตัวเราเขาอาจจะว่าเราคนตีนแต่ลึกไม่มีอะไรครับเป็นคนที่ใจใจอ่อนนะครับเห็นใครนี่คือมันเป็นอะไรต้องถามหลวงพ่อนะครับมันมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อเรียกตมามาอยู่ชายภูมิเนาะเลยอีกสี่วันหรือหวันนี่แหละจะออกพรรษาแล้ว ท่านทดสอบเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าสงบมามาดูวัดให้หลวงพ่อหน่อยอ่อว่าเป็นยังไงทําดีไหมมันยังงั้นอะไรคล้ายๆว่าถ้าจะเรียกเรามาแบบทดสอบแล้วว่าบุคคลเนี้ยแค่แค่นี้จะมาให้ไหมอธตมาพิจารณาหลายอย่างนะเป็นการวิจัยไม่ไม่ใช่วิจาร์วิจัยเออยอย่างเงี้ยท่านจะทดสอบว่าบุคคล น, นี้ศรัทธาแบบไหนนะครับอธรรมาก็อ่ะไหนๆถ้าท่านเข้าใจเราแล้วมาก็มา มันก็แค่สีวันหนะ้าวันแล้วท่านน่าจะให้จบออกพรรษาก่อนแล้วค่อยมาแล้วก็ไม่จะอยู่ต่อยาวได้อันนี้ยังไม่จบออกพรรษาเราก็ต้องกลับไปนู้นอีกใช่ไหมเนี่ยเราก็ออกมาพอมาแล้วท่านก็พูดว่าไปทาพระสบอัดยางอย่างเงี้ยแค่เนี้ท่านก็โทรบอกก็ได้ใช่ไหมแต่อ า, อ า, อ า, อาไม่เป็นไรถามว่าติดไหมมันก็ติดตัวนี้แหละแต่อก็จบไปก็คือมันก็ธรรมดาของการกระทบตาได้เห็นหูได้ยินมันก็เป็นธรรมดาแต่เราก็กลับเข็นมาตัวเร็วนะครับมันก็เช่เนี้ย ก็อยู่กับท่านหนึ่งถ้าไม่รู้กับใรว่าท่านถ้าถ้ารู้ไม่ทันติดอารมณ์ไม่อยากกลับมาเลยครับแต่ถ้าเห็นเราปั๊บอ้าวกลับมาเลยอ่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกนะครับกับหลวงพ่อเนี่ยไปทํางานกับท่านนี่มันเหมือนเป็นจัดฉากแต่แต่ละที่นะครับยิ่งไปลุงกลุนอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่าเราทํางานให้จุดของเราณปัจจุบันทําให้เต็มที่ครับพอจบแล้วอ้าวต่างคนต่างไปใครว่าจัดฉากจบแล้วก็ไปเงี้ยเราทําหน้าที่จุดเนี้ย เราก็เข้าใจนะครับปรับสภาพได้มันก็ไม่มีอะไรส่วนการกระทบท่านก็ตรากทดสอบเราว่าสภาวะธรรมเราถึงไหนคําว่าถึงไหนนี่คือท่านจะรู้นะครับอันนี้ก็พื้นสบการณเนี่ยเราเราก็เจอครูอาจารย์อย่างเงี้ยมามายิ่งออกไปข้างนอกยิ่งเห็นต่างๆยิ่งได้ผลเล็วยิ่งเดินทุดงค์เห็นผลเร็วครับคือของกริงนะครับอย่างนี้มันแค่รูปแบบนะครับแค่มาสื้ไอ้แค่แค่มาอยู่ในรูปแบบแต่ของกริงคือออกไปข้างนอกไงนะ ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับพระพระบองตรงว่ก็ดีใจด้วยที่มาช่วยหลวงพ่อในะจุดนี้คืออย่างน้อยก็ดึงช่วยดึงช่วยกันเพราะว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมันจะไปทางพูดง่ายก็คือมันไปทางผีเนาะจะถือผีเยอะหลวงพ่อจะพยายามดึงดึงเข้ามาทางเนี้ยอันนี้พุ่งตรงนะอาตมากม็มันก็เลยเป็นอะไรที่เราต้องช่วยกันแต่ได้แค่ไหนก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ทําได้แต่ใหญ่ทุกคนนะครับไม่มีอะไรที่จะพึ่งได้เท่าตัวเรา นะครับตนเป็นที่พึ่งของตนนะครับต่อมาก็ก็ศึกษามาทุกวันนี้ก็สามารถอยู่ไปได้นะครับไม่สามารถจะออกไปข้างนอกไหมไม่อยากออกไปครับหนึ่งถ้าเราออกไปหนึ่งเราต้องดูอายุสองเราต้องไปตั้งหลักใหม่สามต้องมีครอบครัวอะไรมันจะเป็นทำอะไรทุกข์มากมาครับเนี่ยเราอยู่ตัวคนเดียวดีที่สุดแล้วช่วยเท่าช่วยเท่าที่ทาได้ก็เลยทาให้ปรับสภาพได้เร็วก็สุดท้ายเนาะ เพราะญทุกคนนี่สิ่งที่หลวงพ่อพาทำหรือว่าครูบาอาจารย์ปาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงสุดครับมันหายากคนที่จะเข้ามาทำาจุดนี้ก็อยากขอยทุกคนเนี่ตั้งใจนะครับถ้าออกไปแล้วก็ออกไปใช้กับการงานได้แต่ขอให้ทําในรูปแบบมันเป็นก่อนทําการงานของจริงนะครับไม่ว่าจะทําอะไรหยิบอะไรมันจะรู้สึกไปอย่าเงี้ยถึงให้ใคล้ายๆว่ารูปแบบอุบายของหลวงปู่เตียมจะได้เปียบตัวนี้นะครับเพราะว่าเราเคลื่อนไหวตลอดแล้วเราลืมตาด้วยนะครับโต ตัวที่ได้เปียบนะครับไม่ใช่ว่าอะไรอะไรดีแต่ได้เปรียบคือเราลืมตาแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันมันจะชัดเจนเขาเรียกว่ามีมสมัครที่กับการเคลื่อนไหวนะครับก็ไปล อ, ลองศึกษาดูก็อาตมาก็ขอจบไปเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาก็อยากให้ครูบาอาจารย์อื่นได้พูดบ้างก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับจงจงมีดวงตาเห็นธรรมนะครับจงมีแสงสว่างแก้ตัวเองเลยทุกคนเวลามีทุกมาก็กลับมาดูตัวเองทุกท่านทุกคนเทิน กับท่านสงบนะครับเป็นผู้ที่อายุน้อยแต่ว่ามีประสบการณ์ชีวิตสูงเพราะฉะนั้นก็ได้รับการทดสอบแล้วผ่านทุกข่ายนีผมก็ลเลยน่าจะทํางานไดนะนะ้ในอนาคตต่อไปนี้อีกท่านหนึ่งท่านบอล น, นะฮะหรือท่านวรชัยที่งัย จ, จะตรงกันข้ามว่าท่านข้าสงบนะครับท่านวรชัยหรือท่านบอลเรียกว่าเรียกว่าแบบอะไรขยะดีแต่อยากทิ้ง แต่ว่าท่านปรับยังไงท่านกลับมาเป็นกลับเป็นขยะที่ได้อีกนะครับน่าคิดนะเพราะว่าไม่กี่ปีไม่กี่เดือนนะท่านเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนกับเดือนนี้คนละคนแต่ท่านเปลี่ยนแปลงท่าอย่างไรเนะี่ยท่านจะมาแชร์ให้เราฟังซึ่งฟังท่านดูว่าหลายคนมันมีชีวิตเหมือนท่านนะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ท่านกลับเปลี่ยนแปลงได้ ขอฟังท่านว่าท่านเปลี่ยนแปลงท่านอย่างไรคนในมูลครับแล้วการประพฤติในแต่ละวันนี่มันมีอานิสงส์มากนะครับมันจะเป็นเราจะค่อยๆเก็บไปเหมือนเราเก็บเงินกเก็บเงินวันละห้าบาทสิบบาทแต่จริงแล้วมันสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสะสมนะครับการปฏิบัติคือตัวรู้ตัวรู้ของเราจนในสุดมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แล้วพอวันหนึ่งพอนมากขึ้นเราไม่รู้ตัวหรอกครับแต่เราจะสัมผัสได้เหมือนเหมือนเราค่อยๆเก็บไปนะผมก็อาจจะยกคําพูดมาไม่ไม่ไมชัดเจนพอนะครับนสครับก็ต่อไปขอนิมนต์จันแดงนะครับมาไกลนะจันแดงเดิมอยู่ทางนน้นนะครับทําบันเดิมของจันพงษ์ ซึ่งก็เป็นพี่เลี้ยงอีกท่านหนึ่งก็อายุพรรษาก็มากพอสมควรแต่ว่าเรายังไม่เคยได้สัมผัสก็ไม่คยได้อยู่ใกล้ผมเท่าไหร่นะแต่ว่านเริ่มต้นอยู่ผมเหมือนกันแต่ออกไปนานแล้วก็อยากจะทราบการเปลี่ยนแปลงว่าจะนแดงอยู่มานานถึงขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วมีอะไรที่ข้อสังเกตสาหรับส่วนตัวที่จะให้กับเพื่อนผู้ใหม่กับอนมลัากาบเขาก คณะสงฆ์ทุกรูกนะครับเจริพรณัฏโยมผมพระวิสุทธตปะสีโลนะครับมาจากชายเชิงเซานะครับแปดล้วนะฮบก็ได้มาปฏิบัติครั้งแรกที่ชัยภูมินะครับ อาจารย์พงษ์เนี่ยมาทำแสงเทียนนะครับผมบวชแบบไม่ตั้งใจบวชนะครับผมไม่มีศรัทธาเลยโดนบังคับให้บวชก็ได้บวชภรรษาหนึ่งนะผมก็ฝืนอยู่อยู่วัดบ้านนะกินแล้วก็ น, นอนก็ว่านละนะออกพรรษาก็ชนลันศึก พิพากษา์ก็แนะนําให้มหาจารย์พงศ์นะอาจารย์พงศ์กับบ้านเดียวกันนะอยู่ที่นุ่นนะก็เลยมาหาท่านต่านให้ปฏิบัติเก็บอารมณ์นะ <c oughs> ตั้งแต่เก็บอารมณ์ผมไม่สึกจนทุกวันนี่นะอืมเก็บอารมณ์สิบวันโอ้ทรมานมากนะ พวกท่านสามสีวันเอง น, นี่เก็บอารมณ์สิบวันไม่ให้ไปไหนเลยอยู่แต่ในนั้นแหะไม่ได้พูดกับใครด้วยมันแทบจะเป็นบ้าเลย <c oughs> คิดจนหลายคนนะที่ไปเข้าไข่ที่ไปเก็บอารมณ์แบบนั้นเลาแหกแหกไข่เลยนะหนีน <c oughs> เห็นมาเยอะพระ เพราะอะไรเพสู้ความคิดไม่ไหวนะอก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนผมบนแต่ภาษาแรกเขาก็เปิดซีดีให้ผมฟังนะผมฟังไม่รู้เรื่องนะท่านพูดภาษาภาษาเลยนะผมฟังไม่รู้เรื่องจนผมได้บอกเพื่อนพระด้วยกันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนซีดีแผ่นใหม่ได้ไหมนะ ผมฟังหลงพ่อคนนี้พูดผมฟังไม่รู้เรื่องเลยนะจนผมปฏิบัติท้ามีโอกาสเข้าค่ายเก็บอรมณนะหลายครั้งอยูนะ่ที่เดอนชัยนี่ก็มานะทีหนึ่งหลายปีแล้วนะพสอะไรจำไม่ได้นะมีโอกาสได้เข้าค่ายนะเก็บอรมเดือนหนึ่งนะห้าสามนานมากนะ ที่เด่นชัยนะที่เขาใหญ่แล้วก็ที่ระยองนะที่ท้ำนี่บ่อยนะทั้งเข้าค่ายทั้งเก็บปรมณมบ่อยอยู่ที่ท้ำมันได้เห็นได้สัมผัสอะไรเยอะแหละนะแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะยิ่ศึกษามันยิ่งลึกซึ่งนะธรรมะนี่ แต่ที่เรารู้มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะผมเป็นคนใจร้อนมากเลยโทสะรุนแรงมากผมแต่มาปฏิบัติเจริญสะตินี่มันช่วยได้เยอะนะแต่ก่อนนี้ผมฟังหลวงพ่อเทียนไม่รู้เรื่องแต่ทุกวันนี้ผมฟังหลวงพ่อเทียนผมจะตั้งใจฟังนะฟังว่าท่านพูดอะไรหลวงพ่อับ ให้ผมมาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วแต่ผมก็ไม่ได้มานะปีนี้ก็ได้ยินข่าวนะว่าอาจารย์หลวงศิลเดินทุดดงม่งหลวงพ่อก็จะจัดคอร์ดแบบนี้แล้วนะเขาก็บอกผมเขเลยว่าเอ๊ะเสร็จธุระแล้วไปช่วยหลวงพ่อดีกว่านะเลยโทรหาอาจารย์พงษ์ท่านบอกว่าท่านจะมาก็พอดีมีโอกาสได้มา ใจหนึ่งก็อยากจะมาดูที่นี่ด้วยเพราะไม่เคยมานะไม่เคยเห็นเคยไปแต่ที่แพทย์แสงเทียนผมก็อยู่ที่บ้านก็เป็นสำนักสงฆ์ครับเป็นวัดป่านี่แหล ะ, ะอยู่ติดป่าป่าจริงๆเลยแหละไม่ใช่แบบนี้นะอยู่กับช้างเลย <c oughs> ช้างเยอะมากนะมีพระจำพรรษาอยู่ด้วยห้ารูปนะอืแต่ก็ไม่ทิ้งนะการปฏิบัติผมก็ทํำที่วัด ในภาษาก็สอนพาด้วยนะสอนเองนี่แหละนะคนไม่เรียนก็ปฏิบัติไปนะพาทำทุกวันกิจวัตเชา้าเย็นปัญหาที่อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันอ่อนแออย่างหนึ่งคือเวลาเราห่างกัลยาณมิตรเนี่ยทำให้กรรมาฐานเราอ่อนนะผมก็เปิดซีดีหลวงพ่อเนี่ยแหละซีดีจะเยอะมากนะ สิยดีหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมหาหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์ไพศาลหลวงตาสุริยานี่เยอะมากเลยผมกเปิดเปิดฟังบนสลาระเปิดเบาๆนะเปิดฟังพอได้ยินนะแล้วก็เดินโยงกลมบนสลารเป็นสลาไม้มันก็ทำให้เรามีกำลังใจนะบางที แต่้าพูดถึงที่นี่สำหรับพวกท่านที่บวชเข้ามาได้มาปฏิบัติแบบนี้นะถือว่าโชคดีนะเนี่ยนะเมืม่อวานนี่ยผมที่ปฏิบัติอยู่ในป่าเนาะผมก็ดูพระนะเอ๊ะทำไมก็ผมไม่อยากจะพูดนะที่จริงมผมอยากให้ท่าน ตั้งใจทํำนะมันเวลาไม่กี่ชั่วโมงมันก็เลิกลาแล้วนะมีพระใหม่ถามว่าพระที่บวชมาเนี่ยคนนึงตั้งใจบวชกับอีกคนไม่ตั้งใจบวช mm hmm. เขาบอกว่าคนที่ตั้งใจบวชเนี่ยจะได้บุญมากกว่าคนไม่ตั้งใจนะผมเราก็คิดถึงตัวผมนะมอนได้ยินบันบานหูไนะ เ, นเราก็ไม่ได้ตั้งใจบวช <laughs> <อ>จะได้บุญเหรอ ผมไม่ได้ไปแย้งผู้น้อยนะผมก็เลยบอกเขาว่าไ อ, ตอไ้ตั้งใจบวชหรือไม่ตั้งใจบวชไม่สําคัญนะมันอยู่ที่ว่าบวชมาแล้วสําหรับผู้ที่จะอยู่ต่อหรือผู้ที่จะสึกออกไปเนะ่ะก็นําเอาสิ่งที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันนะแต่มันยิ่งใหญ่นะสําหรับชีวิตชีวิตเปลี่ยนเลยนะสติตัวเดียวเนี่ยไม่ธรรมดานะชีวิตจบเลยนะถ้าขาดสติเห็นไหม มี่เห็นอยู่ทุกวันนะเป็นข่าเป็นเลยกับมีนะอเพราะสติตัวเดียวเปลี่ยนชีวิตคนไปเลยเอาเนาะ ก, ก็ขอโนมโมธนานะครับกับทุกท่านอขอให้เอาไปใช้นะในสิ่งที่ในประพฤติปฏิบัตินี้นะอืเพื่อให้มันลดปัญหานะปัญหาทุกนั่นแหละนะไม่มีอะไรหรอกนะถ้าทําอะไรแบบขาดสติคิดพูดทนะําเนี่ยมีแต่ปัญหาตามมานะอืมถ้ามีสติ สิ่งหล่านี้มันจะบาบางลงนะก็ขอขอบคุณแค่นี้ครับสา ธ, สาธุก็ท่านแดงนะครับปฏิบัติมาหลายปีก็ดีขึ้นเย็นขึ้นเยอะทีเดียวนะก็ยังไม่กล้ามาพิสูจน์ที่นี่ไม่เม่เจอของร้อนเท่าไหรมม่มีความเชื่อมีความเชื่อเพราะว่าตามประเพณีทางอีสานเป็นคนจังหวัดเชียงภูมินะก็บวชอยู่ครับ พระ อ, อาจารย์พงศ์ทำแสงเทียนมีความเชื่อทางศาสนาตามาประเพนอีสานว่ากินทหารแล้วอายุยีสิบก็ต้องบวชอย่างเงี้ยบวชตามความเชื่อครับหนึ่งคือเราเคยชั่วยเราต้องเ <laughs> ชื่อว่าอบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ประมาณเนี้ยเธอก็คิดว่าตัวเองก็คํานวณดูแล้วเราช่วยเยอะหรือเปล่าเราช่วไม่เยอะ ก็คำนวณตัวเองมาดูเหมือนกันนะตอนนั้นนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะบวช ด, ดีไหมไม่บวชหรอกวาไม่บวชหรอกจะไม่บวชบวชยังไงต้องทำอะไรบ้างแต่พอกินเหล้าได้สองสามปิดเพื่อนบอกว่าตั้งแต่เขาติดคุกสองสามปีเขายังคิดว่าจะได้ออกเลย แต่นี่เราบวแช่พรรษาเดียวเองยิ่งได้บุญยิ่งได้อานิสงศ์ทำไมนาจะไม่ได้เพื่อนบอกว่างั้นเกิดลึกซึ้งเลยว่าทำขึ้นมามอเลา <laughs> ก็ไม่ได้มอหรอกครับพอซืมอๆมาขี่รถกลับไปบอกแม่ที่บ้านว่าแม่จะบวชเ oh! นยว่าะจะไม่บวชเราจะบวชปีหน้า ป, นปีนี้บวช ไ, ไปไปได้แหล ะ, ะประมาณอีกอสิบกว่าวันจะเข้าบรรษา ถ้าไม่บวชก็ไม่บวชเลยเป็นคนประมาณนั้นนะครับเหมือนกับเป็นคนตับเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าเป็นมุมหนึ่งก็เหมือนกับขาดขาดยางไงเมยก็เลยขายอ่าอ้อยครับขายอ้อยปลูกอ้อยที่บ้านปลูกอ้อยขายอ้อยหากันให้ลูกบวชก็ว่าจะบวชธรรมดายแหละครับแต่บันบวชนี่ไม่ให้มีเล่านะครับมันบวชแต่บันฉันร้องนี่ก็ ก็มีบ้างแต่พอมันบวชจริงๆไม่มีเราก็มีแต่น้ําอัดลมมีอาหารธรรมะดูธรรมดาแต่บันฑบวชผมก็เอาใจแม่นะครับมีความรู้สึกว่านี่เราทําเพื่อพ่อเพื่อแม่นะทดแทนค่าน้ำนมที่ทําให้พ่อแม่น้ําตาไหลในการเราเรียนหนังสือก็ไม่จบนะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทบ้างทําให้พ่อแม่นอนถวะไม่หลับนอน บางทีก็เรากลับ บ, บ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่ได้ไปมีอะไรนะครับบางทีก็ไปยินเล่ากับเพื่อนไปนั่งเล่นกับเพื่อนบ้างเล่นยีตาบ้างแต่ก็โดยความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นห่วงเนาะกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนก็ลูกหลังบ้านจกจะไม่ปิดไว้นะครับจะเปิดไปตลอดเพื่อรอลูกกลับเข้าบา้าลูกเข้าวยูนั่นตรงนี้นะโอ้ทั้งที่เราไปก็ไม่ได้ไปดีสักเท่าไหร่ แกเรากลับมาบ้านพ่อแม่ทําใจว่าลูกข่าวตรงนั้นตรงนี้นะน้องจินยิ่งมึงเงินมึงนี้เด้อบอกเราแต่แกก็นอนหลับแต่บางทีแกพูดได้ฟังแกได้ยินเสียงปืนเสียงอะไรแกก็ตกใจนะครับฉลาดหลกอยู่หลัก <c oughs> ก็ไม่บุกแหลกขนาดนั้นนะ <c oughs> แต่ทีนี้พอได้เข้ามาบวชนะครับมาบวชตามความเชื่อผมเห็นพระที่เข้ามาบวชที่นี่ผมรู้สึก ราบซึ้งแล้วก็ศรัทธานะครับในความเป็นพระเหมือนกันศรัทธายังไงคือเราได้บวชเพื่อถวายพ่อหลวงแล้วก็แถมมีบุญวั ส, สนาบารมีได้เข้ามาปฏิบัติในวิธีการหลวงพ่อเทียนเพราะว่าตัวผมเองก็เกิดมาไม่แตกต่างจากพวกท่านนะ มไม่แตกต่างกันเลยแต่ก็ได้มาพบวิธีการอย่างนี้นะผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องการสักการอะไรคังๆหน่อยนะครับพอมาเจอวิธีการนี้ว่ามันธรรมดามากนะครับทำให้เรารู้สึกแบบแค่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันก็ทำให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงไปได้เองจากคนที่ทุกคนก็มีความกวดนะครับเนาะมีความกวดเป็นคนที่ มุมนึงชอบตลกมุมหนึ่งชอบแบบทําให้เพื่อนหอัวเราะแต่มุมนึงเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเร็วมากเร็วเหมือนกันนะแต่ก็แบบเป็นคนทีกน่กันตัวเองไว้นะครับกลัวกระทบคนอื่นเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบบางทีพูดอะไรพูดตรงเกินไปกลัวกระทบจิตใจผู้อื่นนี้ก็กลัวเหมือนกันนะเป็นคนนิสัยอย่างนั้นแต่พอมาเจอวิธีการนี้ ทุกคนเกิดมาทุกคนก็จะมีอารมณ์นะครับเนาะอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์ดีอารมณ์ ร, ณารณ้ายอนาคตอดีตแต่พอมาได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนะี่ยเคลื่อนไหวนะบางสิ่งบางอย่างมันจะถูกล้างไปเองโดยอัตโนมัตินะครับทำให้เราเปลี่ยนไปได้เองจิตใจก็เปลี่ยนไปได้เอง แต่ทุกวันนี้ก็มีความอยากนะครับตัวนี้อยากพ้นทุกข์ะแต่ไม่รู้ว่าทุกอย่างไงแต่ก็ทุกเลครับทุกในใจฮะทุกทุกเพราะความอยากหรือปานะครับอยากดับทุกได้อยากพ้นทุกน์ะไม่ได้อยากเป็นอะไรหรอกครับแต่ก็แบบเหมือนกับเอเป็นยังไงแล้วมันพ้นทุกเป็นยังไงก็อยากมีความสุขนะพูดง่ายง่ายก็อยากมีความสุขนะมั้งครับอยากพ้นทุก ก็เป็นความอยากของตัวผมเองก็ปฏิบัตินะครับเรื่องความเพียรทําความเพียรบางทีลุกไม่ไม่ทันเพื่อนก็ท้อนะครับโอ้เราคือชีรายแค่ปฏบิบัติยังไงแต่บางทีก็เ อ, อเ้อช่างมันเถอะลองนอนนอนบ้างมันเป็นยังไงศึกษาบ้างมันจริงหรือมันปลอมยังไงทําไปทั่วไปทีแล้วครับศึกษาทดลองทุกอย่างนะครับการปฏิบัติเจ็สิบห้าหนุนครับครั้งครั้งแรกก็จะสิบ แต่เป็นคนที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เหมือนกันนะว่าอยจะพึ่งศึกเลยนะไปทุ ด, ดงก่อนแต่ก็เป็นคนแบบอแมนบอ๊อบขคือตัวกันแน่ะแค่ <c oughs> ไปทุ ด, ดงก่อนแมนบหรือกลับมาค่อยศึกอ่ะก็ยอมไปนะครับไปทุ ด, ดงแต่ก็งุดหยิดอยู่แต่ก็ไปนะครับด้วยความที่ว่าอะท่านอาจจะวางดีกับเราเนี่ยก็ไปก็เลยกลับมากลับมา ก, มาก็ว่าจะได้ศึกแม่ก็าพามาให้แล้วก็ดีใจดีอกดีใจเกอได้ชุดใส่ชุดขาวแล้ว ดี ใ, ใจนะครับแล้วทีนี้มันมีความลังเลกลับมาจากทวดงมีความลังเลว่าเอจะสึกหรือจะไม่สึกหรือจะอยู่ต่อก่อนหนึ่งก็ห่วงพ่อแม่อยู่ที่บ้านสองกอ็มันยังวนอยู่กันปฏิบัติยังสนุกอยู่อย่างนี้ครับอยู่กับเพื่อนได้ตื่นแต่เช้าได้ตื่นตัวได้ทำนั่นบ้างทํานี่บ้างไม่ได้อยู่กับความคิดมากไม่ได้หมุ่งมุ่นกับความคิดมากมันก็เสียดายทั้งสองฝั่งสองฝ่าย ก็เลยไปอธิษฐานกับผ้าพุทธลูกไปแหละเ อ, อถ้าผมมีบุญบารมีในผ้าเหลืองก็ทํายังไงก็ได้ครับให้ผมไม่ได้สึกแต่ถ้าผมบุบุญบารมีแล้วก็ทํายังไงก็ได้ผมอยากสึกมากเพราะว่าขออาจารย์ห้าครั้งอาจารย์ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจนห้าครั้งครับเอาผ้ามาห้าครั้งนะครับฮพ่อแม่เอาผ้ามาห้าครั้งอู้คงสิบวิครั้งที่หกหรอกว่าอาจารย์นั่นก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมก็เลยแบบเสียดายผ้าเหลืองอยู่ ก็สียดายทางโลกอยู่ทั้งเสียดายสวงทั้งเสียด้ยผาก็เลยไปอธิษฐานตอนจะขอละคังหกมงจะทําวัดขอละคังเสร็จก็เลยอธิษฐานว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้แหละครับก็เลยจากที่คนที่แบบเป็นคนฟุ้งซ่านไม่เคยได้อารมณ์อะไรกับเขาก็เลยลงมาเดิจงกุมประมาณสักยี่สิบนาทีเกิดความลึกซึ้งขึ้นมานะครับลึกซึ้งตัวเองขึ้นมาประตูรอเป็นผาด้วยนะครับ ลึกซึ้งในผ้าเหลียงขึ้นมาลูกซึ้งแบบขึมได้อารมณ์แย่ไม่อยากจะคุยอะไใครเลยขึมมาแล้ครับเหมือนกบอับว่ากินข้าวก็ได้คนว่ประมาณนั้นนะครับไม่กินข้าวก็ได้หรือเปล่าเนี้ตกเย็นทำวัดเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าเออตั้งก็จะได้ศึกแล้วนะเพราะว่าผมก็ขอมาได้ห้าครั้งแล้วว่างั้นบางคนอื่นตบางบางรูปเป็นขอแม่นะครับฟึดฟัดหนีเลยนะครับ ย้อยไปก็เสียผู้เสียคนก็มีไปกินลอาเหมือนเดิมก็มีตายก็มีครับท่านห้าไม่ฟังแต่ผมก็แบบเป็นคนแบบปัตย์เป็นเด็กเนาะปุยต้องรู้กว่าเราอย่างเงี้ยก็ก็ทีนี้ก็ท่นก็ว่าต่างจะได้ศึกแล้วนะเพราะว่าก็ขอได้ห้าครั้งแล้วแหละผมก็ช่วงนันก็กำลังได้ปิดตีอยู่ก็คืมอยู่ช่วงนั้นจะปีใหม่นะครับวันที่สามสิบสาสิบต่อไปนี้ผมจะไม่พูดคําว่าสึกอีกครับ อจจาจารย์ก็ซาตุเพื่อหมู่คณะก็ซาตุโยมก็ซาตุโอ้ยเดินกับปุตติเปลี่ยนชามาฟุ้งสานยากสึกเหมือนเดิมมันเปลี่ยนครับอารมณ์มันเปลี่ยนโอ้ยกูขึ้นหัวไปจังซั้นเนี่ยโวยที่คำพูดออกไปจากใจนะครับจากใจที่เกิดศรัทธาขึ้นมานะครับศรัทธาเนี่มันเหมือนกับมันมีสมาธิขึ้นมาบ้างเ<อ>พราะว่าพูดออกไปจากใจเราก็ต้องจะไปเอาความคิด ไปบวกทันใหม่สิเราต้องเอาใจซื้อใจสิอืมเพราะว่าเราพูดออกไปจากใ จ, ใจนี่เมื่อกี้นี่เมื่อคืนเราพูดออกไปจากใ จ, ใ จ, ใจตอนเช้าเราจะพูดกับจีเลี่ยดได้ยังไงวะมันไม่เกี่ยวกันนดีวยว่าอันนี้คือความคิดนะครับความคิดออต้องมีสัจจะนะแต่ก็ทนฟุ้งซ่านนะครับน้ารายนี่จะปุ้งปปะเลยนะมันอยากจะซึกมากแต่ก็พูดแล้วครับคืนคาไม่ได้นะครับเหมือนคนกลับอกอกกลอกลอะไรอย่างี้ไม่รูนะ้แต่ก็ทนนะ ทนโอ้ก็ติวทนนี้แหละครับมันเยอะครับก็เดี๋ยเวลาอีกหนเอเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับ <c oughs> ครับทีนี้ก็ในการเคลื่อนไปเจริญสติรู้สึกตัวนี่แหละครับแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าพุทธศาสนาจริงๆเป็นยังไงก็มีความเชื่อเชื่อเชื่อแบบตามๆามกันมาแต่พอ มารู้สึกตัวนะครับพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนยังไงก็ไม่รู้เพราะแต่พอมารู้สึกตัวความเข้าใจข้างในมันเปลี่ยนไปเองนะครับว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงสอนไปยังไงไปแนวโน้มไปในทางไหนนี่คือใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วความคิดที่เข้าใจแบบเดิมๆก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไปรื่รู้เขาเริ่มเข้าใจถึงเรื่องมกักมักบ้างครับมักมีองค์แปดบ้างอริยสัจสี่บ้างครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผม ก็ขออันุโมทนากับพระพระทุกๆ ก, กรูปนะครับพระใหม่ทุกทุกรูปก็ขอให้เจริญในศีลธรรมก็ขอให้นำไปปฏิบัติทุกภพทุกชาติจนถึงถาบเข้าเข้าสู่พระนิพพานได้กันทุกคนทุกท่านเถิน อ, องค์อื่นมือนี้ ไม่ให้พอเรื่องนิพพานนะองค์นี้แปลกมานิพพานเลยนะโชคดีนะเขายังมีคำนี้อยู่นะก็ขอให้อยู่ตลอดไปนะห้าครั้งก็เลยอีกสองครั้งครบเจ็ดนะในข้าพุทธกาลมีถึงเจครั้งนะขอศึกพระพุทธเจ้าพอครั้งที่เจ็ดเน้นอยู่ต่อไม่นานในะบรรลุธรรมเลยนะเพราะนั้นจิตใจของเรากลับไปกลับมาก็ขออนุโมทนาสาธุพระพิเลี้ยงทุกท่านครับแล้วกล่าวว่าจะเนี่ยหกโมงยี่สิบก็เราจะจบกันตรงนี้นะ ฉะนั้นต่อไปนี้จะได้มอบประกาศนียบัตรใะชุดใหญ่ที่ท่านสามารถมาปฏิบัติกันได้ซึ่งมีเจ้าภาพจากชิคาโกนะครับถวายท่านชุดนี้ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับคือบอกว่าพระใหม่มาเวลาอันสั้นแล้วสดมูลสดพรต่างๆเนี่ยถ้าท้านาไปนำไปเป็นในคู่มือนะครับอันนี้เป็นคู่มือชีวิตแล้วก็ ช่วงชิดสั้นของเราก็จะมีความหมายนะครับนั้นในช่วงที่รับธิบัตรเอาจากเอาแถวที่สามและแถวย า, ยาวๆนี้เนาะเข้ามาก่อนเลยนะแล้วพระคุเ ข, ขอยออกมาพระครูบาอาจารย์ก็จะชยันโตนะครับเาแจกประกาศเสด็ิบัตรปริยาตรีโทเอกที่เอาไปทำต่อนะครับ